ขึ้นมารอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของการเปิดอบรมในคราวนี้นะวันนี้หลังจากเราเลิกนี้ไปเราก็มีงานไปหล่อพระพระพุทธเมตตานะทางมูลที่ก็อยากให้พวกเราไปช่วยเอาบุญด้วยกันหากมี ปัญหาข้อข้องใจมือมาสองวันมานี่ก็ออาาเ อ, นนเ อ, า, อามาขมวดตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะเอามาขมวดตอนนี้เลยรู้สึกว่าปุบายวิธีมากมายเยอะๆที่เอามาพูดให้ฟังเนี่ยจะตกค้างเหลืออยู่กับหน่วยใจเราได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามอัธยาศัยไนเกิดประโยชน์เอาไปปรับใช้เกิดประโยชน์นะ เรื่องของการภาวนานั้นมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติบอกแล้วว่าการที่เราอบรมคราวนี้ไม่ใช่เรามาอบรมแค่จริยธรรมจริยธรรมพื้นพื้นเราพยายามวางรกรากลึกเข้าไปจนถึงหลักของสมถะหลักของวิปัชนนาซึ่งใครเคยจับมาแล้วก็สามารถจับต่อไปได้เดินต่อไปได้มันมมไม่ไม่มีอะไรขัดกันบทใดบทใดไม่มีอะไรขัดกัน ทำให้ความอสอนความปริญญาไม่มีขัดกันเราอย่ไปว่าสายนั้นเป็นทําไมเป็นงั้นสายนี้ทําไมเป็นอย่างนี้สายไหนถ้าหากเราเข้าใจเรื่องหลักมาสติปัฏฐานอันเดียวกันหมดอันเดียวกันหมดถ้าเราเข้าใจถึงตรงนี้เข้าใจหลักอันนี้ได้เราสามารถทํางานหมุนมาถึงแกนกลางในการทํางานของเราได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจ ยังคิดว่าที่นู่นไม่เหมือนที่นี่ที่นี่ไม่เหมือนที่นั่นแล้วก็คือเราไม่รู้ไม่เข้าใจถึงความเข้าใจของเราเองอีกตั้งหาก็กถือว่ายัางยังยังหายัางหาที่หลงยากเหมือนกันยังหาที่หลงยากเหมือนกันถ้าเข้าใจถึงแกนกลางที่พยายามอธิบายให้ฟังเหล่านี้แล้วเนี่ยมันเป็นหลักที่มีมหาสติปัฏฐานครอบไว้หมดมันไม่เกินเลยไปหลักจากหลัก สมถะหลักวิปัสนาครูปัญญาท่านไม่ทิ้งดอกสมถะสมถะท่านทิ้งได้ยังไงกิเลสในหัวใจของเรามันรุนแรงเราเอาชนะเด็ดขาดมันไม่ได้ทีเดียวเราชะลอมันซะ ก, ก่อนหยุดมันซะ ก, ก่อนทําอะไรมันยังไม่ได้หยุดดูหน้าดูตาดูตัวดูตน ด, ด, ด, ดูอะไรมาซะก่อนนี่คือสมถะอย่างน้อยๆเราหยุดสมถะได้เรารู้ว่าเราเป็นตัวของตัว จิตขอเราเป็นอิสระเรางอวัตต่ออารมณ์ของเราเองเราชักซึกเข้าบ้านเองศึกทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นนิวรณธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราชักเข้าหาบ้านเราเองเราไม่รู้กลไม่รู้บายไม่รู้วิธีเนี่ มันมีกำลังเรี่ยวแรงมันเชี่ยวนอกจากไม่รู้จักหน้าจากตามันเคยแล้วไม่รู้จักแม้กระทั่งแม้แต่เงาของมันไม่รู้จะเอาอะไรไปปกป้องมันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านทั้หยุดมาซะก่อนสมถะคือหยุดหยุดไม่ให้ตันหาภนหัวใจของเราดีมันดิ่งไปตามพฤติกรรมที่มันเคยอยู่บนหัวใจของคนเขาสั่งมาหยุดมาซะก่อน แต่ให้หยุดเฉยๆมันหยุดไม่ได้ต้องทํางานเอางานนี่แหละมากั้นมันเอางานรมากั้นมันมเมื่อเช้าเราก็ได้พูดอยู่แล้วว่าอารมณ์ที่มันเด่นชาติที่สุดในหัวใจของเรามันเด่นชาติได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่ครั้งละสองสาอารมณ์ไม่ใช่ขณะละหนึ่งอารมณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่าน จ, จึงพยายามให้ปลุกอารมณ์ธรรมะมาตื่นร่ให้เด่นให้ชนะทั้งหมด ถ้าเพื่อขณะอื่นมันเกิดขึ้นมาเองขอให้เป็นขณะของธรรมธรรมบกธรรมธรรมบกธรรมธรรมบกธรรมซืบช่วงซื้บเป็นสัมผัจัญญารู้ตัวประคับประคองไปในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นการรักษาธรรมะในหัวใจของเราตั้งถามันแสดงมันดิเดียนหัวใจของเราไม่ได้มันก็สงบลงมันก็ชะลอลง มันไม่ใช่แค่สงบลงเฉยๆชะลอลงเฉยๆมันมีผลมันมีอานิสงส์มันมีความสุขมันมีความอิ่มเอิบมันมีปีตินี่แหละคือบุญนี่แหละคือยอดของบุญและนี่แหละคือบุญคือความสุขที่บริสุทธิ์ไม่มีความสุขอื่นเทียบเท่าเราไปใช้ไปส้อยวัตถุสิ่งนู่นสิ่งนี้ของใช้ไม้ส้อยของอยู่ของกินที่นู่นที่นี่ของเล่นของสุขสบายและทุกอย่างที่ว่าทําให้ใจของเราได้มีความสุขที่สุดสู้ความสงบไม่ให้มันดิดินไม่ได้อันนี้มีความสุขที่สุด ไม่มีความสุขอื่นเทียบเท่านักทิสันติป ร, รังชุ่ขังกุบายานท่านชอบมาไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบแค่สงบแค่เราชะลอให้มันหยุดให้มันอเฉ่เฉยโดยนี่ไม่ได้ลรากเอาพลังอัดเข้ามาปิดกัน้นปิดประตูเอาไว้ไม่ให้สิ่งร้อนนะ้ำมันเข้ามาแทรกในหัวใจของเราได้แต่สติต้องแก่กล้าสมาธิต้องมั่นคงแข็งแรง ความเพียรความพยายามความปวดความตนต้องซื้อเรื่องต้องต่อเนื่องไม่งั้นเอามันไม่อยู่เพราะในระหว่างที่เราเอาทำมาทํางานเนี่ยกเกลีก่ยมันตามหลังมาเน่ยลืมนะตามหลังเพลอปั๊บแสงปั๊บเพลอปั๊บแสงปั๊บมันเกิดขึ้นในฉากเดียวกันคือผู้รู้อันเดียวกันระดับผู้รู้ไม่เด่นชัดผู้ไม่รู้อวิชาก็สวมรอยขึ้นมาทันทีนี่แหละคือการแอบมาซ่อนตัวแล้วมาสะสมตัวมาฟักตัว กอทุกข์กอโทษให้กับหนวยใจของเราปุ๊บปุ๊ บ, บเอาแล้วเอาใจของเราไปไปทำเรื่องที่นําทุกข์นำโทษมาให้แล้วไปผิดศินข้อหนึ่งข้อสองข้อ3ามลองดูสิทุกข์แล้วไม่ทุกขอ้อ4ไปกล่าวร้ายป้ายสีเขาลองดูข้อห้าเนะ่ยสุราเมรยัยเราไปกินให้เมาดูไม่มีสติไม่มีสัมผชัญญะไปฆ่าก็ได้ไปปล้นก็ได้ไปผิดลูกผิดผัวผิดเมียผิดอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นสามารถพูด ของเท็จของจริงของหลอกของลวงสามารถต้นตุนอะไรทำได้สารพัดแค่เราผิดศีลแค่นี้เราไมั่ระวังไม่ได้เราห้ามปลามันไม่ได้มันหลอกลวงเอา ก, กิริยาของเราไปใช้เกิดโทษตามมาต้องหยุดด้วยข้อปฏิบัติศีลหยุดได้ขั้นหนึ่งระดับหนึ่งแต่ศีลระงับดับได้แค่ปลายเหตุปลายเหตุของอะไรปลายเหตุของตัณหาที่มันแสดงพิษสงมาที่กิริยากายกิริยาวิจา เอาศินไปกำกับที่กายที่วายจามันออกมาไม่ได้พระมิสติมิสามพิันย์กกำกับดูแลอยู่เราไม่กลา้าก้าวล่วงไม่กลา้าละเมิดไม่กลา้กลาอะไรกลัวจะผิดศีลกลัวจะผิดศีลเ น, นี่ยมันแสดงออกมาไม่ได้แต่ทํามันยังดิดดิน้นอยู่ในหัวใจในใจมันดิดดิน้นท่านจึงให้หยุดหยุดด้วยสมถะในขณะที่เราหยุดนั้นอะสมถะมันจะกอ่ะกอตัวมันจะสะสมตัวขึ้นมนมีพลังนีพลังขั้นไหนระดับไหนถ้าพูดตามหลักท่านก็บอกว่าฌาน ที่หที่สที่สที่สละเอียดลึกเข้าไปจนเหลือแต่จนเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวที่มันสงบจากอารมณ์ทั้งหลายทุกประโลนั้นประชิกิริยาใดใดทั้งสิน้นนะในระหว่างที่มีวิจตกวิจารณะนะพระปีติสุเอกรตาสเตาุเอกรตาเอกคาตาอุเบกขาเนี่ยถือว่าเป็นความสงบเป็นความสุขที่ไม่มีกิริยาอะไรมามาแสดง รู้ตั ว, ตวงตัวเองว่าสงบสว่างรูเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในนั้นแต่เป็นหนึ่งเดียวของความสงบแค่สงบได้ด้วยอารมณ์เหล่านี้ที่จะเรียกว่าอารมณ์ของความสงบแต่ว่าถ้าเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้ามันแน่นหนามันของมันพร้อมที่จะเอามาใช้งานได้อที่จะเรียกว่าจิตมันตั้งมัน่นจิตมันพร้อมที่จะทาํางานคําว่าจิตตั้งมั่นอะไีตัวนี้คือจิตพร้อมที่จะทํางาน ในระหว่างที่มันพร้อมที่จะทํางานเรารู้ตัวด้วยตัวของตัวเราเองหยิบยกอะไรมาพิจนนารณามันสะดวกสบายมันคล่องแคล่วมันไม่มีอะไรมันไม่มีมือที่หนึ่งที่สองที่สามาแทรกที่จะทําห้ใจของเราแต่กระสาน ส, าสนนั้นเศษไป น, นู่นไปนี้ดูอันนี้ยังไม่เสร็จอันนั้นแทกเข้ามาดูอันนี้ยังไม่เสร็จอันนั้นแทะเข้ามาไม่ใช่มันเป็นตัวของตัวมันเป็นอิสระเนื่องจากอารมณ์ของความสงบเป็นอารมณ์ที่เราฝึกได้เราฝึกมากี่วันกี่เดือนกี่ปี ฝึกมาทั้งชาติได้มากน้อยเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเท่าที่เราได้เท่าที่เรามีครูบาอาจารย์ท่านให้ไปด้วยกันสัมถัสวิปัสนาหลังจากเราสงบแล้วท่านให้ให้พิจรารณาแต่ที่จริงต้องการสงบสงบต้องการสงบเพื่อเอากําลังเมื่อมีกําลังเราก็พิจรารณาเหมือนอย่างเราเดินทางสัมผัขวาสมถัซ้ายวิปัสนาขวาซ้ายขวาซ้ายขว า, า, ขวาในขณะที่เราพิจารณาเพื่อปัญญาพิจรารณา เมื่อก็เราเดินไปเดินไปเดินไปแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักพักขึ้คือหยุดสมถะอยู่สมถะมีแรงเดินเข้าไปอีกอาศัยสองขานี่แหละฉันว่างั้นนะสมถะเป็นพลังช่วยวิปัสสนาศิลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาในหัวใจของเรามันจะเป็นสมถะก็ตามมันจะเป็นวิปัสสนาก็ตามท่านจึงมาเน้นที่หลังมหาสติปัฏฐานอารมณ์ของมหาสติปัฏฐาน ท่านสรุปมาสั้นๆอีกอสรุปมาที่กายสรุปมาที่เวทนาสรุปมาที่จิตสรุปมาที่ธรรมกายมีอะไรบ้างเราไปดูสินับตั้งแต่อสุภะอสุภังกายขตาสติอะไรแต่อะไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราไปดูในะหลักมาสสีประธานท่านพูดไว้ครบหมดเลยกายอย่างนุ ป, ปัสสนาเราจะอยู่กับอารมณ์อะไรก็ตามตามจิตนิสัยของเราอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในการทํางานอยู่นั้นน่ะ อารมณ์ อ, อื่นเขาเหมือนก็ถูกปิดไปหมดเพราะเรามีใจดวงเดียวใ น, นเมื่อเราไม่ใช้กับอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ อ, อื่นก็ถูกปิดไปด้วยแต่ถ้าอารมณ์นี้ไม่ถูกจรินิสัยถูกจรินิสัยกับเวทนาแล้วก็มาอยู่กับเวทนาเวทนานุปัสนาตามดูเวทนาถูกทุกเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาที่จิตตานุปัสนาความนึกคิดในจิตนะจิตตานุปัสนาเราไปดูได้จิตของเราพิจารณาจิตพิจารณายัางไง พิจารณาจิตตามหลักพระอภิษฐานเราไปดูเอาจิตยินดีให้รู้จักจิตยินร้าให้รู้จักจิตเฉยเฉยรู้จักจิตมีราค่ารู้จักจิตมีโทรศัให้รู้จักจิตหายโทรศัพให้รู้จักจิตหายราคาให้รู้จักให้ทันหมดเลยเนเมื่อเราทันมากๆเข้าเมันเห็นมันเข้ามันหอกมันเข้านเาเห็นมันเป็นอื่นไปจากไปจากงานที่เรากําลังกับผู้ที่กําลังทํางานอยู่มันเป็นอื่นไปจากไอ้ที่เรากําลังทํางานอยู่ตัณหามันจะสวมรอยเราไม่ได้ กลายเป็นว่าเข้าไปรู้สัจจะต่างกันต่างเป็นจริงกายก็เป็นจริงของกายเวทนาก็เป็นจริงของเวทนาละไว้ในฐานที่ว่ามันเป็นจริงตามหลักธรรมชาติของมันจิตก็คือจิตก็เมื่ออยากเรานั่งเจ็บเรานั่งปวดเนะ่ยเสร็จแล้วด้วยเหตุที่เรายึดเรายึดกายเราทุกบางทีทุกเพราะจ็บเพราะปวดปวดมันปวดที่กายเพราะมันขัดข้องที่กายเรายึดเวทนาเราก็ทุกเน่ทีนี้ไอ้เราเวทนากับผู้รู้เวทนามันคนละอัน จิตคือผู้รู้เวทนาเวทนาเกิดที่กายก็รู้เวทนาคือความเจ็บความปวดนี่ก็รู้ถ้าเป็นเวทนาที่จิตจะทำไงอ่ะจิตยินดีย้อนปับแหมขณะที่อารมณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นมายินดีแล้วก็อารมณ์ทำขณะของอารมณ์รมเกิดพื้ขึ้นมาปับ๊บทับอารมณ์นั้นหายไปแล้วเราก็จะพิจารณาคลี่คลายที่ไปที่มาของมันมั น, พ, นพันกันอยู่ในนี้่ เราพยายามจับมาตรงนี้อันนี้คือศูนย์กลางของการทำงานอันนี้เป็นหน้างานของเราจะเป็นงานสมถะจะเป็นงานวิปัสสนาเราไปอย่างนี้หากเราทำไปแล้วเราได้อุปายได้วิธีขอ ง, ขอ ง, ข, องของเราเองเรามีข้อข้องใจการที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันจะเป็นการตอบปัญหาเราได้เป็นอย่างดีอุบายวิธีที่จะรู้ได้ที่จะชนะได้ที่จะก้าวไปได้ที่อยู่กับที่ที่จะยอมแพ้ที่จะอะไรอะไรมันเราทราบด้วยตัวของตัวเราเอง อย่างมีเขียนมาถามมานู้น ม, มานี้อะไรยังไงแล้วก็ตอบไปตามข้อเท็จจริงที่มันมีที่มันเป็นถนัอีกแต่ที่แท้จริงจะไปจัดชัดเจนอยู่ที่หัวใจของเราเราพยายามตั้งใจทํามีข้อข้องอากเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งใจปฏิบัติมันจะหายข้องใจของมันเองเราจะได้ด้วยบยด้วยวิธีของเราเองอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นหนังของเราแท้ๆการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาอย่างได้อย่างหนึ่งมันทะลุถึงกันหมด ทําไมต้องน้อมไปที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเพราะอันนี้มันเป็นที่มันเป็นขนทางที่ตัณหามันแทรกเข้ามาตัณหามันจะคอยแทรกเข้ามาตัณหามันจะพาดพิงมาที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมแต่แต่ถ้าเป็นวิธีการของลูกตาท่านให้ดูไปในขณะเดียวกันเลยเช่นอย่างทุกเวทนานะท่านให้ดูมาที่ปวดไอความปวดกับผู้ที่รู้ว่าปวดมันคนละอันแต่ถ้าเราไม่เคยดูมันจะเป็นอันเดียวกัน นะไอ้ความปวดกับผู้ที่รู้ว่าปวดมันคนละอันเอาผู้รู้เจาะไปอยู่ท่ามกลางความปวดปวดสักแต่ว่าปวดตัณหามันแทรกไม่ได้แต่ตัณหาถ้าตัณหามันแทรกขึ้นมาปั๊บอัตตามันโผล่ขึ้นมาเราปวดเนี่ยถ้าปล่อยตอนนี้โผล่ขึ้นมานั่นน่ะคือแสดงตัณหามแทรกเข้ามาแล้วแต่ถ้าสติเรากล้าสมาธิเราแก่กล้าปัญญาเราแก่กล้าปวดสักแต่ว่าปวดจริงๆ ย้อนดูทำความรู้สึกอยู่กับความปวดแล้วก็ย้อนลงไปที่หัวเข่าตรงที่ความปวดมันเกิดขึ้นหัวเข่าภษาทางหัวเข่าคือกายสลับจากกายมาอยู่กับเวทนาสลับจากเวทนามาอยู่กับกายสลับจากกายมาอยู่กับเวทนาสลับจากเวทนาย้อนมาดูที่จิตย้อนไปดูที่กายแล้วก็ย้อนไปดูที่เวทนาลองทำลองดูวิธีการนี้เป็นวิธีการนอกกํารา มีลงตาท้อนมาสอนลองทำลองดูสิลองทําลองดูดูกายแล้วก็ดูเวทนาในระหว่างที่เราทํางานมันมันมันเป็นต่างคนต่างคนละอันของมันจนกว่ามันจะหมดความสัมผัสสัมพันธ์กันโดยอํานาจของตันหาคือความอยากมันแทรกเข้ามาทามันแทรกเข้ามาปั๊บเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าเราทํางานปั๊บมันแยกกันโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่ทำงานเราปล่อยตันหาแทรกเข้ามาปั๊บ มันเป็นอันเดียวกันดีใจกับกายดีใจกับเวทนาเสียใจกับกายเสียใจกับเวทนาเสียใจกับใจอีกนี่อุบายวิธีวิธีพิจรารณาเพื่อให้รู้เท่าทันตัณหาตัณหามันจะสวมรอยมาง่ายที่สุดคือตัวเวทนาตัวเวทนาความสุขความทุกข์เพราะคนเรามันติดมันติดใจอยู่ที่การชอบใจ มันติดใจอยู่ที่การไม่ชอบใจแต่ว่าไอ้ไม่ไม่ชอบใจผลักออกไปชอบใจดึงเข้ามาไม่ชอบใจผลักออกไปโดยกิริยาเหล่านี้แหละมันสะสมมาจนเป็นนิสยัยจนเป็นจรินินสยัยเห็นสิ่งใดดีงามก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเป็นอุบายเป็นวิธีก่อให้เกิดความโลภในหัวใจของเราติดสันดานมาจนเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราไม่ว่าท่านสิ่งไหนที่ไม่ชอบใจไม่ต้องการ พลักออกไปพลักออกไปจนเป็นจิริณิสัยพราะขึ้นมาอีกขัดข้องในหัวใจที่เรียกปฏิฆะโกทะาจากนั้นแล้วก็สิ่งที่ อ, อ้อยอิงตัณหาราคะตัณหาสรารพัดที่มันจะพึ่งเกิดขึ้นตามมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นกิริยาของอารมณ์อยู่นอกจิตอยู่นอกผู้รู้เราทั้งนั้นผู้รู้เรามีหน้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะเจาะเข้าไปรู้อย่างเดียวสิ่งนั้นก็จะดับหมด มันกลมันแค่กลายเป็นอุบายแค่กลายเป็นวิธีแค่เป็นมายาสาไถของจิตของเราที่มันติดชันดานมาที่เราไม่เคยชะไม่เคยล้างไม่เคยขัดไม่เคยเกล่าอย่าว่าสิ่งนู้นทำให้ราสิ่งนี้ทําให้เราพ่อแม่ป้อนให้เราที่นู่นป้อนให้เราที่นี่ป้อนให้เราโลกของตันหามันอยู่ที่ไหนมันส่งลูกทรงหลานส่งเหลน้ยงพ่อส่งแม่ทรงปู่สรงย่ามันมาม า, มาเกี่ยวข้องกับหลักได้ยังไง ก็ความเรวที่มันอยู่ปนมาด้วยกันนี่แหละเราไม่เคยชาเราไม่เคยล้างมันถ้าเราตั้งประเด็นไปที่อื่นเราไม่รู้จะไปแก่เราตั้งประเด็นมาที่นี่เห็นข้อเท็จจริงที่นี่และโดยสัจจะความเป็นจริงแท้มันก็คือที่นี่ตรงนี้เราจับมาที่นี่เราไม่ต้องไปสงสัยแหละมันจะมีข่าวแตกตื่นมายังไงที่ไหนที่โน้นที่นี่ดิบดีวิเศษวิสุทธอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้มันนีอันนี้เป็นประจักษ์พยาน เพราะฉะนั้นเราเข้ามารู้เข้ามาเห็นสัจจะเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยเราเชื่อสิ่งที่เรามารู้มาเห็นด้วยตัวของตัวเราเองเพราะมันมีเหตุมีผลพร้อมอยู่ในนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของเรายอย่างอื่นคือคำพูดฟังหูก็ฟังหูไว้หฟวูฟังไปแล้วก็ปล่อยไปฟังไปแล้วก็ปล่อยไปฟังเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ปล่อยไปแต่ก็ดีกว่าเรื่องที่น่ายินร้าย เรื่องที่น่ายินดีเช่เนอย่างเขาประทับอยู่ที่โน่นที่นี่โอ้ซาทุแ ล, ล้วลูมาที่ใจมันชุม่มมันเย็นพลอยได้กุศลไป เ, าเขาแต่ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเราทราบแล้วเราก็ปล่อยเราทราบแล้วก็ปล่อ ย, าาอยถ้าเราไม่ปล่อยเราดึงมามันก็ยุ่งยุ่งหัวใจของเราใจของเราอยู่ดิีๆกลายเป็นว่าอากุศลกรรมเหล่านั้นมันมาแทะทําให้เราพลอยนึกพลอยคิดเสียเวลาเวลาไป เ, าเขาเนี่ยเอใบาวิธีใดบ้างที่ตกค้างเหลืออยู่ก็พวกเราก็ถืออันนั้นไปประพฤติไปปฏิบัติ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือทําชั่วโมงบินให้มากเจอให้มากจะเป็นสมถะก็ตามจะเป็นวิปัสสนาก็ตามไม่ต้องปเป็กยังหลอกเวลานี้เวลาเหมาะพิจรารณาแล้วพิจรารณาไปพิจรารณาพิจารณาตามหลักปธิปัตน์นี่แหละพิจารณาพันมาที่ตรงนี้มันชัดเจนพิจารณาไปอย่างอืงอ่นที่อื่ น, นมันจับยากพิจารณามาที่ตรงของจริงตัวที่มีอยู่เนี่ยอย่าไปมองเห็นตัวหนังสือนะให้ดูกิริยาอาการของมัน ค่งความอยากเนี่ยเราจับได้นะความอยากแต่ความอยากมีสองอย่างความอยากหนึ่งอยากให้เรามันอยากให้เราสนองตันหาอยากเพื่อโลกเพื่อกรวดเพื่อตันหาเพื่อราคาเพื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่ออิจฉาธิศยพยาบาทเพื่อทำลายเพื่อลบล้างเพื่อดูถูกดูแคลนเพื่ออะไรต่ออะไรของคนอื่นเป็นเรื่องของสมุทไทยรู้ปัพบปัดออกเลยรู้ปั๊บจิ้มอยู่ในนั้นมันก็หายไปแล้ว รู้ปักกี้เจียมอยู่ในนันกขหาวไปแล้วถ้าเป็นเรื่องของทีปั <c oughs> ึกษาก็พยายามขุดคุยหาต้นต่อรากเหง้าของมันโอ้สาเหตุเกิอดจากไหนเกิดมาจากนี้จากนี้เกิดมาจากไหนตามเกิดนู้เกิดมาจากไหนตามไปตามไปตามไปตามไปเพื่อหเห็นเห็นเห็นรากเห็นเหง้าเห็นต้นเห็นต่อของมั น, นยากอีกอันนึงอยากทําทตามมะอยากให้ทานอยากรักษาสิลอยากปลอบประโลให้จิตได้รับความสงบอยากเจริญปัญญาพิจารณา อยากได้อะไรได้ทำอยากได้มักผลอยากได้นิพพานความอยากอันนี้เป็นเป็นมักให้รีบส่งเสริมให้รีบสนับสนุนอะไรโผล่ขึ้นมารีบสนับสนุนรีบเกาะรีบกลุมรี บ, รบดักรีบตวงเอาไว้ไม่ใช่เออนนี้อยากเป็นกรเล็อันนี้อยากเป็นกรนนกเล็ดนางๆเข้า้เฉยเไม่เดินตามมักไม่ได้สร้างเหตุมันจะเอาผลมาอย่างไรไม่มีผลเนี่ยมีความสำคัญ น, นะความอยากอย่าเอาความอยากไปตีกันน ะ, ะคนที่ยังมีหัวใจยอยู่ การกรดุกกดิกทีก่แผลงหัวใจของเรานั่นแหละคือพลังของความหยาดพลังของตัณหาแต่ตัณหาส่วนที่เป็นสมุทัยให้เรารู้จักการตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเราไม่ต้องไปไล่หรอกจับแค่ความอยาดหัวใจของเราเริ่มแรกหัดจับหยาดหยาดมาทาวิจัยวิจารหยากโผลมาภาพวิจัยวิจารเพื่อตัณหาเพื่อราคะเพื่อโลเพื่อโกรธเป็นสมุทยัยจ่อให้มันละลายหายไปเลย อ, อยากได้อาจายักอยากได้ทำอยากทําบุญอยากบวชลูกบวชหลานอยากบวชพระบวชเนนอยากต้องอยากบน่นอยากภาวนาอยากเดินจงกรมอยากไปกราบครูบาอาจารย์ที่นู่นที่นี่ซึ่งเป็นเรื่องของกุศลเป็นเรื่องของมรคให้รีบส่งเสริมให้รีบสนับสนุนเน่และสนับสนุนมากถ้าอันนี้ไม่มีพลังกําลังของสมุทยัยมันก็จะยุบย่อไปไม่ได้เอาแต่อันนี้จนมีพลังเป็นอย่างเดียวเป็นเรื่องเดียวนะครับชิดไม่มีที่เก็บ ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ใส่ทุกปัดออกไปโดยอัตโนมัติหายหน้าเกลี้ยงไปเลยนี่คือความยากนี่เราก็มาพูดฉุกๆได้แค่นี้เสร็จแล้วก็ปัญหาตกค้างมาตั้งแต่เริ่มมา3วันสวันกับวันนี้กับสองคืน3วันกับสองคืนเราขึ้นลงขึ้นล ง, ล ง, ล ง, ลงหลายวนรนนะวันะตอนเช้าเมื่อวานกับตอนบ่ายเราก็มาเดิลงแล้วก็วันนี้หลังตอนเช้ามา ออกมาตอนสายมาเราก็มาได้ลงเราก็ลงมาตอนนี้เราก็ลงมาตอนนี้มีปัญหาอะไรตกค้างอยู่ก็อเอาเพื่อโอกาสได้แต่ต้องดูเพดานเวลาด้วยเพราะเราจะต้องไปหลอพระอ้าวเหมาะกับการติดตัวใกล้กันนะก็มีสิตองนฮะต้องเลิกเท่าไหร่นะ องเลกบสองึ อ, อนี่มันบสองว่ <c oughs> าแล้วเอ้าขอคถามที่าจะมาแลครับการนะครับพิธีีสุให้ถู้องและให้เจ้ากรรมนเและงนาได้ข้อม่างไรอีดอุธทิศส่วนบุญอุธทิศส่วนบุญ ของอย่างนี้เราต้องการให้ถึงญาติของเราเนี่ยท่านให้เอาไปให้คนอื่นบุญจากการที่เราให้เขานั่นแหละอุทิศบุญส่วนนี้ให้โดยเฉพาะเรานิยมเอาไปถวายพระเอาถวายคนที่มีศีลมีธรรมเราอุทิศส่วนบุญให้ถ้ากุกทุกข์ได้ยากคอยพ้นจากทุกข์พ้นจากยากอุทิศให้กับบิดาแมรดาปุยญาติยายเจ้า ก, กรรมนเวียนสัพพสัต ท, ทั้งหลายพาลนาไปไม่มียุดจบไม่มีที่จบภาลนาไป ก็ทิศว น, นไปอันนี้เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นวิธีการช่วยเหลือกันในเมือ่อในเมื่อคนหนึ่งตายไปแล้วคนหนึ่งยังอยู่ในระหว่างมีชีวิตอยู่ต่างคนต่างช่วยเหลือกันได้ในเมื่อไฟได้คนหนึ่งตายจากไปแล้วก็สามารถช่วยกันได้โดยวิธีนี้เพราะความรวดเร็วที่ที่เร็วที่สุดก็คือใจใจเร็วที่สุดนะใจเร็วที่สุดคือเหมือนอย่างที่ผู้ พ, พูดกาลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้ พวกเราหูฟังหมดทั้งสลาเงี้ยพูด เ, เรื่องดีปั๊บทุกคนฟังแล้วโอ้ปลื้มใจพูดถึงเ ร, เรื่องไม่ดีปั๊บคนนั้นเสียหายอย่างนั้นอย่างี้แล้วก็แป้วใจแดูสิมันถึงใจกับใจมันถึงกันทีนี้ความดีที่เราทำปั๊บ อ, อาจจะเป็นของเล็กของน้อยอาจจะเป็นของมากอาจจะเป็นมหาทานเงนี้ยอุทิศส่วนบุญไปแล้วก็เจาะจงไปเลยหลังจากเราทำไปแล้วเราดูที่ใจของเรา ท่านจะได้รับหรือไม่ไรับปาฏิหารผู้ที่เราอุทิศให้นะั่นแหะแต่บุญทั้งหมดมันเป็นของเราโดยสุทธิอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งอุทิศให้ท่านไปอีกยิ่งได้เพิ่มอีกไม่ใช่หมดไปนะปั ต, ติานุโมทนาใหมา่ปฏิทานาใหมา่บุญสําเร็จด้วยการให้ส่วนบุญแต่แล้วถ้าเขาทราบเขาก็มาอนุโมทนาการอนุโมทนาของเขาก็เป็นบุญแม้แต่เรายังต่างคนต่างมีชีวิตอยู่เราอนุโมทนาแก่กันด้วยกันมันก็เป็น ปัตตาโนโมทนาหม่บุญบุญเสด็จด้วยการอ่าโมทนาคําว่าอ่านโมทนาแปลว่าเปิดใจรับเอาอุโมทนาซาทุกแสดงเปิดใจรับเอาอถ้าเราได้ยินว่าเขาทำดีเขาเอาความดีอย่างนั้นนี้เราไม่เปิดใจรับเอาเราทําเฉยเหมือนกับแพ้ชนะความมันไม่มีอะไรมันตกมาข้างอยู่แล้วโมทนาซาทุเราได้ทำก็ทําไม่ได้ทําก็ตามเห็นกิริยาที่เขาทำแล้วปลื้มใจดีใจกับเขาซาทุเนี แล้วดูมาที่ใจของเรามันต่างกันนะกับไปอิจฉาไปทิษยาไปอะไรแต่อะไรของเขาเนี่ยมันต่างกันกับใจที่พลอยอันมโมทนาที่ที่ท่านที่ท่านเรียกว่าพุทิตามุทิตามุทิตามุทิตาไม่จะเห็นหมู่เพื่อนเราพลอยได้ดีได้งานดีลูกล้านดีรายงานได้การดีมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขดีมีความร่ำรวยดีอะไร ลอยอนุโมทนาสาทุ่ไปกับเขานี่เขาเรียกว่ามุทิตามุทิตาจิตมุทิตาบุญอนุโมทนาไปเขาการการอิจฉาพิเยาพยาบาทไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรวยไม่น่าจะได้ไม่น่าจะถึงเราดีกว่าเราเก่งกว่าเราน่าจะได้นะแน่แต่เราไม่ได้มันก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เรื่องของตัณหามันไม่ยอมแพ้ใครอเอาอีก คำแนะนาจากท่าอาจารย์ในการปฏิบัติสหรับผู้คลองเพื่อเพิหน้าม้มากขึ้นครับรอสอเจริญถ้าต้องสมานสี่าแต่ดหน้าที่ต้องติดของลูกค้าบางครั้งตองปูเท็จและปัดการมีการสับสนงอย่ในชาอ๋อก็ต้องฉลาดเราย่าไปเสียดายถ้าเราจะตั้งใจรักษาสินที่พุทธเจ้าทั้งสอนเราอย่าไปเสียดายการที่จะทาให้เราที่จะที่จะทำให้สินขาดอย่าไปเสียดาย บางคนไม่อยากให้ทานเสียดายเสียดายของแหน่ไม่เชื่อท่านเลยท่าบอกให้ทานมีผลเนีนสมองไม่เชื่อไมครัไม่อยากให้เสียดายของไม่อยากรักษาศินถ้ารักษาสินไปแล้วเสียเปรียบนี่ลักษณะเดียวกันนี่แหละตั้งใจจะรักษาสินกลัวเสียเปรียบงานไม่เดินเงินเงินเดือนไม่เดินชื่อเสียงไม่เดินอนุนุ่นไม่เดินความโด่งดังอะไรไม่เดินกลัวเสียเปรียบ เรต้องมอบให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านบอกว่าดีว่าดียศถวายท่านเลยควรงดงดเด็ดขาดคนเว้นเว้นเด็ดขาดการที่เราจะตั้งใจทำหมากินให้อยู่เย็นเป็นสุขพุทธเจ้าท่านสอนอท่านสอนท่านสอนกระทั่งว่าทิฏฐธรรมที่เราจะอยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความร่ํารวยไม่อดไม่อยากไม่ยากมากมจนทํำยังไง หัวใจเศรษฐีอุอากะสะอุทานสัมปทาขยันพระสัมปทาได้ซ้ำ ม, มาแล้วรักษาะกะกายานามิติตาต้องคบเพื่อนดีเพราะเพื่อนเนี่มันเป็นตัวแลกเปลี่ยนตัวเชื่อมประสาน ร, ระหว่างความฉลาดของเราระหว่างความโง่ของเราระว่งความได้ของเราระหว่างความเสียของเราเรามีเพื่อนช่วยฉุดช่วยลากช่วยประยุงช่วยประคับประคองช่วยแนะนา เพื่อนดีเยี่ยมเลยคนไม่มีเพื่อนอยู่ลําบากนะคนถ้ามีเพื่อนอยู่ในสังคมสดวกสบายแตมาหากินแต่ต้องคบเพื่อนดีถ้าถ้าเพื่อนไม่ดีเพื่อนจะมาถลุทรัพย์เราที่เราุตสถาามาสมารชีวิตาเมื่อมีทรัพย์มากแล้วท่านให้ใช้สอยพอดีพอดีไม่ฟืดเครืองไม่ฟุ่มเฟือยนี่ท่าเรียกว่าที่จะทำมีประโยชน์คนเราแค่ต้องการอันนี้แหละถ้าเราจะเอาอันนี้ไปใส่เกี่ยวกับเรื่องยศ ยศก็ต้องขยันเหมือนกันหน้าที่อะไรบ้างที่จะทําให้เราก้าวหน้าในหน้าที่เราต้องขยันทํำเราต้องละเอียดเราต้องฉลาดเพิ่มเราต้องให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องได้มีผลเพิ่มเนี่ยอะไรที่มันเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาคือมันเป็นเรื่องดีแล้วก็รู้จักรักษาสิ่งของรู้จักรักษาชื่อเสียงแล้วการคบหมู่ครบพวกรบอะไรต่ออะไรก็ให้เป็นหมู่พวกที่ช่วยพิยมกันไม่ใช่มาช่วยทําลายกันแล้วก็ ในระหว่างที่เรามีก็ต้องให้ได้ระมัดระวังเพราะมันเป็นเรื่องของโลกรธรรมและแต่เราจะคิดน้อมไปใส่อะไรไอ้คำหัวใจของเศรษฐีนะ่ยจะน้อมไปใส่ทรัพย์ในการทำอาหากินจะน้อมไปใส่งานในการทํางานทําการจะน้อมไปใส่เพื่อนในการคบเพื่อนจะน้อมไปใส่ในการงานส่วนตัวสมรรถธรรมวิปัสสนาธรรมหรือจะเขียนหนังสืออันดับแรกต้องมาแล้ขยันแล้วก็รักษาความขยันนั้นเอาไว้ ทาให้มีผลงานปรากฏนี้เราจะอยู่ในโลกอย่างสะดวกสบายต้องมีความฉลาดที่สำคัญที่สุดคือปัญญาโลกหน้าท่านก็สอนที่จะเรียกว่าสัมปรายิกถะสัมปรายิกถะตายไปแล้วไปเกิดในโลกหน้าทํำยังไงเราถึงจะเราเราถึงจะสมหวังเราถึงจะสมหวังแต่ทุกคนมีความคิดเหมือนกันอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราร่ํารวยอยากให้เรามีพร้อมถึงพร้อมด้วยเล่าด้วยยศด้วยเกียร์ อยู่เย็นเป็นสุขตายแล้วขอให้เราไปขึ้นสวรรค์พ่อของเราก็เหมือนกันแม่ของเราเหมือนกันญาติพี่น้องของเราก็เหมือนกันทุกคนปรารถนาอย่างนี้ได้ทั้งหมดแต่ความปรารถนากับการตั้งอกตั้งใจทำซึ่งเป็นเหตุนั่นแนหะมันคนละอย่างนคนละเรื่องวันที่ปรารถนาเฉยแต่ไม่ได้สร้างเหตุมันเลยไม่มีผลตามมาศรัท ธ, ธาศีลอยาคปัญญาเนี่ยในโลกหน้าถ้าเราอยากให้โลกหน้าเรา สมประสงค์ตามที่เราต้องการศรัทธาศินยาคะปัญญาตั้งตั้งเอาไว้สับไ ร, รชุกถะประโยชน์ประโยชน์อย่างสูงสุดมักผลนิพพานสถมถะธรรมวิปัสนาธรรมพุทธิยถาท่านสอนไว้หมดประโยชน์ในปัจจุบันนี้ประโยชน์ในพรุน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือมักคือผลคือนิพพานพุทธิยถาท่านสอนไว้หมดศรัทธาเป็นสะพานเชื่อมทุกอย่างทุกเรื่องถ้าไม่มีศรัทธา มันก็เมืนคนหัวเหมือนเหมือนมือก็เมือนกับคนมือกุดตีนกุดจะเดินจะใช้จะทํางานอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธาคนเราถ้ามีศรัทธามันก็มีศรัทธาที่จะรักษาศินมีศรัทธาที่จะจาฆ่าจ่าฆ่ารวมทั้งการเสียสละสิ่งของสี่เป็นทานไปด้วยรวมไปถึงเสียสละอารมณ์ที่เป็นค่าสึกแห่งความวุ่นวายในหัวใจของเราด้วยรวมทั้งเสียสละอารมณ์ที่เปรี้ยวเปรี้ยวเรื่องความรักความชังความคล่ายความโกรธความเปรียดความอะไร เสียสละอารมณ์เหล่านี้ทั้งหมดมันละเอียดนะไอ้พระอาจากข้าาจากยข้าปัญญานี่สำคัญปัญญานี่ต้องยืนโรงคนเราต้องไม่มีปัญญาแล้วมันก็ติบตันอ่าเหมือนเหมือนกับมืดไปไหนก็ไม่เห็นหนนไม่เห็นทางไม่รู้จะทํำยังไงไปยังไงจะถูกทางตกลุมตกบ่อตกหลงหลงขวาลหลงเหวเข้าป่าเข้ารถปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิตปัญญาเป็นแสงสว่างของใจปัญญา เป็นเครื่องประดับของคนของนราชนน่ยปัญญารัตน์นางปัญญาณรานังรัตน์างน่ปัญญาเป็นรัตนะของนรชนปัญญาโลกัตสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาอย่างเดียวทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขทำให้เราไปพบหน้าอย่างคล่องตัวทำให้เราไปมรรคไปผลไปผ่านได้อย่างสะดวกสบายเพ หมเวลายังเอาเอาแล้วเข้าแล้วเข้าพ อ, อาที่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปวดนั่งอันนี้หลวงพ่อตอบไปแล้วอาอาอกตอกันนะครับเอาเป็นเอสสวยนที่หลพอ่อตอบโจาถามมาว่ า, าโยมสุดการปฏิบัติภาวนาแบบปัญญาอบรมสมาธิและได้ภาวนาตามแนวนี้มาตลอดซึ่งที่ผ่น า, านมาโยมเหนว่าทำให้โยมได้เข้าใจควมจากการ แต่ยังไม่เคยเรื่ความเพียรอย่างจริงจังมากนะช่วงก่อนหน้าโยบไดพยายามติดอุเบเพื่อความเพียรก้าพันจุดที่พิจารณาทพิถานไม่ได้แต่ตอนนี้การพิจารณาหนักตอแน่นนานแล้วพบว่าทำให้กาลังอ่อนลงเหมือนมันร้ายทําให้พิจารณาไม่ชับโยบพบว่าเมื่อพิจารณามากๆจนันเริ่มราป่วยว่างานพิจารณาเพื่อมาทำแบบทุกโถ่จนจิตเริ่มมี การพิจารณาต่อจะให้ดีอันี้ข้าใจถูกต้องไหมครับเข้าใถูกต้องแต่ว่าอะไรโผล่ขึ้นมานั่นคือกิริยาของอารมณ์จับทอถอยโผล่ขึ้นมาจับขี้เกียจโผล่ขึ้นมาจับปัญญาโผล่ขึ้นมาจับให้มันทันทั้งหมดเลยถ้าไม่ทันเนี่ยมันจะพาซึ้บยาวไม่รู้จอยๆอ่ะทอถอยท้อถอยมันเลี้ยวแรงหมดปลี้อ่อนเปลี่ยหมดแรงไม่มีสติไม่มีปัญญา เราอย่าไปหมายสถานที่ที่นู่นจะดีที่นี่จะดีครูบาอาจารย์ที่นู่นจะดีสอนดีที่นี่ครูบาอาจารย์ที่นี่จะดียืนเดินนั่งนอนตรงไหนก็พยายามทำหลักปัญญาเจริญหลักปัญญาอบรมสมาธิมันเป็นหลักของน้องตาท่านเขียนหนังสือขึ้นมาปัญญาอบรมสมาธิหลักปัญญาอบรมสมาธิก็คือหลักมหาสติปัฏฐานนี่เองหลักพ้องน้อยยุบหนอก็คือหลักมหาสติปัฏฐานนี่เอง ถ้าจะว่าไปแล้วคือปัญญาอบรมสมาธิจะเดินลงตาท่านเน้นอย่าทิ้งสมาธิเพราะสมาธิก็มีโอกาสอบรมปัญญาปัญญาก็อบรมสมาธิสมาธิก็ต้องอบรมปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาใช้สติบอกแล้วว่าการที่เราตั้งใจเจริญสัมผัสกามเจริญวิปัสสนาก็ต า, ม, ม, ตตา ม, มันเป็นการที่เอาสติของเรามาทํางาน ทำงานจนช้ำจนชองจนสติของเราแน่นหนามันคงเรากําหนดเงื่อนไขอยู่ในใจของเราได้เป็นยาวเฟ้ยไปเลยนะเมื่อก่อนจากเราไม่เคยสติไม่เคยมีสัมผัสชันยะไม่เคยมีสมาธิดีนหนึ่งหัวใจของเราเนี่ยมันหุนหนุอย่างที่ก็เรียกว่าตั้งอะไรขึ้นมาก็ตกไปตั้งอะไรขึ้นมาก็ตกไปแต่อันนี้มันตั้งกําหนดยังไงมันหมายเป็นแนวเป็นแถวเป็นเรียงให้เราพาวนาอยู่ในนั้นไม่จบสิน้นนี่คืออํานาจของสมาธิ สมาธิหมุนปัญญาจิตพื้นเพรียจิตนิสัยของจิตเรา ม, มีมีสมาธิดีปัญญาของเราก็ไปได้ดีเป็นเป็นตัวของตัวมีอะไรปลอมแปลงมาปั๊บจับปั๊บมีอะไรปลอมแปลงมาปั๊บจับปั๊บไม่มีอะไรปลอมแปลงมาสังเกตเงื่อนงำสังเกตเงื่อนงำพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงดูความเป็นอัตตาความเป็นตัวความเป็นตนเดี๋ยวนี้ไอ้สิมันนี้มันโผล่มาหล่ราทุกระยะทุกเวลา ความถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาทุกระยะทุกเวลาอยากไปหมายอาจารย์ที่นั่นดีครูที่นั่นดีไม่ปฏิเสธสถานที่เป็นสัพยาแับเราได้ครูบาอาจารย์เป็นสัพยสารับเราได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสเหมือนอย่างที่ผู้ถามถามมาเนี่ยไม่ค่อยได้ไปนูน่นไปนี่ไม่ค่อยได้ใช้ความภาคความเพียรอะไรมากมายเดินเดินยืนเดินด น, นั่งนอ น, น, อนตรงไหนก็ใช้เป็นความเพียรได้เลย เรากาลังจับอย่างนี้เราก็อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมตาผ้ารีดผ้าซักผ้ า, าพับผ้าอยู่กับเรื่องเดียวเนี่ยนี่คือปฏิบัติธรรมทํำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ความอยากมันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราได้จนมันจะยุบยอดมันจะฟอแล้วเน่าแล้วก็หลุดหายชิ้งไปเลยเนี่ยเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่ามหาสีป่ประธาน เรินได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเคยได้ยินอาจารย์รธธพธธุทธธาตุหลวงพ่อพุทธธาตท่านพูดเอาไว้ไหมการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมเคยได้ยินไหมประโยคนี้นี่แหละการทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมเจริญมาสตินี่แหละหยิบก็รู้วางก็รู้เก็บก็รู้อะไรก็รู้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่กําลังที่เรากําลังทําเดินอยากที่อยู่ก็เดินก็ได้ อยู่ก็ยืนก็ได้อยู่ก็นั่งก็ได้อยู่ก็นอนก็ได้เอาตัวนี้เป็นหลักจากนั้นเราเราค่อยไปแยกแยกพิจารณาส่วนละเอียดอย่างอื่นอืมอ้าวท่านี้แหละตอบฮะเหมือแล้วแน่เห็นไหมฮะอ้ะอะอา เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทุกขั้นตอนที่หลวงพ่อพูดมาโดยเฉพาะหลวงพ่อได้ขึ้นมาหลวงพ่อได้ขึ้นมาวันแรกขึ้นมาช่วงบ่ายหนึ่งรอบตอนขํามาอีกหนึ่งรอบวันแรกสองรอบแล้วก็วันที่สองก็มาตอนเช้าหนึ่งรอบเมื่อวานเนี่ยตอนข้ามอีกหนึ่งรอบเป็นสี่รอบ แล้วก็วันนี้ก็มาตอนเช้าหนึ่งรอบแล้วก็ตอนตอนบ่ายตอนนี้อีกหนึ่งรอบเป็นหกรอบเราก็มาย้ำเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนานี่ยแหละเกี่ยวกับอุบายเกี่ยวกับวิธีแต่ถ้าเราอยากให้ขึ้นใจอีกทีเรามาฟังทบทวนอีกทีหนึ่งมันจะขึ้นใจมันจะขึ้นใจแต่มันต้องหมายความทรงจิตฟังตามที่ท่านแนะนําเพราะท่านไม่ได้พูดไปไหนว่าท่านพันอยู่ในเนี้มันพันอยู่ในเนี้อ่า มารู้ไปตั้งประเด็นอะไรที่ไหนตั้งอยู่ที่นี่ทั้งหมดไปจากที่นี่ทั้งหมดืมก็คิดว่าพวกเราได้ช่องได้อบายได้วิธีแล้วก็ถือว่าเป็นอนุสร์แก่ชีวิตจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีการที่เราตั้งใจไปฝึกฝนอบรมที่นุ่นที่นี่ที่นี่ที่นั่นที่ไหนก็ตามแต่มันก็อยู่ในภายชนะเดียวกัน อ่าไหนเมื่อที่มีต่ของดีมีแต่ของดีมีแต่ของดีเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปกระตื้นเขินขึ้นมากรตื้นเขินขึ้นมาภายชนะของเราก็ตื้นเขินขึ้นมาสติปัญญาของเราก็ดีขึ้นอนนูกรดีขึ้นนี้กรดีขึ้นถือว่าเป็นการไปเพื่อหาประสบการณ์ของนั้นบ้างคนนี้บ้างที่นู่นบ้างที่นี่บ้างอ่าแต่ที่เราจะขุดค้นจริงๆต้องขุดค้นที่นี่ไปที่ไหนก็เท่าเดิมไปอยู่ป่าถ้าไม่มีอันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออ่าหลวงตาท่านอ่ะมันไม่ อยู่ในฝาแต่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วอยู่ที่ไหนให้อยู่กับเนื้อกับตัวจะเป็นคนที่ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจจะเป็นคนที่พัฒนาชีวิตยึใจย้งตัวเองไปทุกขณะจิตอันนี้เยี่ยมชนะเด็ดขาดหมดทุกอย่างหมดทุกคนหมดทุกเรื่องเยี่งเอาเรื่องการปฏิบัติธรรมเด็ดขาดด้วยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปหมายว่าอนนู้จะเกิดอันนี้จะเกิดอันนี้จะเกิดโอ้มื่อได้เราจะได้มาได้จะถึงมาได้จะได้พระโสดามันสกีทาหานะคะ เราอยากไปหมายย้ำจอจิตให้ละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยลึกข้าไปเรื่อยลึกข้นไปเรื่อยลึกข้าไปเรื่อยเพราะอันนี้คืองานของเราถ้าเราไปสําคัญมั่นหมายอย่างนั้นอ่ะชันอยากบางคนมมีจริยนิสัยพอเขาภาวนาปั๊บเขาออกรู้ออกเห็นเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนี่เห็นเอานั้นมาคุย เ, เอานี้มาพูดอะไรมาพูดเฮ้ยเราทำมากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เป็นคิดไปคิดมาโดยที่เราเอาคนสองคนไปเทียบกันแต่จริยนิสัยมันไม่เหมือนกันเขามีนิสัยออกรู้ออกเห็นก็เรื่องของเขาไป เราไม่มีจรินนิสัยออกรู้ออกเห็นแต่ทางตรงเรามีอยู่มหาสติปัฏฐานเป็นกรรมฐานเหมือนมงกุฎครอบกรรมฐานอื่นทั้งหมดไปเส้นตรงของเราก็มีเราไม่ต้องไปปลีไปแปะอันนี้ยิ่งเรามีปัญหาน้อยอันนั้นมีปัญหามากยิ่งห่างครูบาอาจารย์บางทีเสียไปเลยบางทีก็ไปเจอคิดค้าคาดาดาคนึกเอามาพูดเป็นคุ้งเป็นแฝงไปเลยอันนี้เรามีของจริงประจักษ์ยในหัวใจของเราเนะี่ย เส้นตรงเรามีอยู่เราพยายามตั้งใจเดินเข้าไปเราไม่เสียหา ย, เ, ยเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีนี้เราไม่เสียท่าเสียถีไม่เสียโอกาสจะยุอายุใจรงการผ่านไปไปมากน้อยเท่าไรห้าสิปี60ปี70็ิบปีเท่าไร่ก็ตามทําไปเรื่อยๆทําจนเครือกสุดท้ายเราไม่ทิ้งยิ่งเวลาใกล้จะไปอยู่แล้วนี่ไม่ปล่อยการที่เราฝึกฝนอบรมตัวเรามาได้เท่าไหร่นั่นตัวนี้หละจะเป็นพลังคอยช่วยเหลือเราใน บ้านปลายชีวิตถึงคราวคับขันถึงคราวฉุกเฉินเราจะสามารถตัวเราได้ยิ่งเราถนัดในการเจริญสัมผัสด้วยเจริญวิปัสนาด้ว ย, ย, ววยจับเอาตอนนั้นหมุนเลยโชคดีโชดหมกได้รบบาวันที่หนึ่งหลุดไปเลยพ้นไปเลยอ่าเอาต่อไปเริ่มดําเนินการอย่างอางื่นได้ตลอดการปฏิบัติเราจะมีการอาจจะรักา บด้เอ่มีการปฏิบัติีดา้ัวาแต่นนปฏิบัตินับวิอ่าเป็นผู้ที่ถว่าคะแนสูงนะจะอมีการได้คะแนนด้วยนะฮะกอทเนๆัเอ่อปัญหาที่ยังไม่ตอบเอกมาให้เราเราไปตอบที่วัดนะคอยฟังเอาเด้อ ปัญหามันไม่เกินกันหรอกมันไม่เกินกันหรอกคนหนึ่งถามคนหนึ่งฟังผ็มร่วงไปหมดเอา้าอืออานี่ปัญหานี้เยี่ยมเลยเกินนะมาอยู่ในมืออ่มาอยู่ในมือของของผู้ฝึกผู้สอนเนี่ย ปัญหาอื่นๆไม่เคยตกมาหาหมือ น, นะนะ and yeah. เราไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีกรรมต่อกันหากมีกรรมอย่างหนึ่งก็คือการแนะการบอกการสอนให้ท่านถือเป็นอุบายเป็นวิธีเอาไปปรับใช้เกิดประโยชน์อาหังขมามิตรถุงเฮหิตปิเมคมิตตับบังวามะพันเตและ ใจได้เหมือนกันนะระดับศินห้าระดับศิน8ปนดะสิน8เราขยับขึ้นไปเราลาจากศินแปเราก็จะต้องมีศินห้ารองรับเพราะเราเป็นพุทธบริษัททิ้งสินห้าไม่ได้ไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทแล้วพุทธบริษัทรักษาสินห้าพัฒนาชีวิตจิตใจทุกของตัวเองไปทุกระยะทุกเวลาเพราะคนเราสําคัญที่มีศินมีธรรมอย่าลืมว่าไม่มีสินไม่มีธรรมเหลือไม่เท่าเดิมตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีอะไรเหลือ มาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะเหลือไม่เท่าเดิมนี่สำคัญที่สุดการที่เราพยุงรักษาศีลรักษาธรรมอไว้มันเป็นการรักษาชีวิตจิตใจของเราให้อยู่เท่าเดิมให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งใจรับสมาทานะไปพิรักไปงดเว้นเอานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ธรรมสระนองกชามีส we right, ังฆสระนองกชามีลุติยัปีบุตรธรรมสระนองกชามีลุติยัมปีธรรมมังสระนองกชามีลุติยัมปีสังฆสระนองกชามี ตัติยมป p ตุทังสระนกัจฉามีตัิยมปีตุทังสระนกัจฉามีตัิยมปีธมังสระนกัจฉามีตัิยมปีธมสรกามิยปสสรกาม กรนังนิถวยตังปานติปตาเวระมณีสิกขาปะดังสัมาดียามีปานติปตาเวระมณีสิกขาปะดังสัมาดียามีอดินนาดานาเวระมสิกขาปะดังสมายาม มีชาจาราเวระมณสิกขาปังสมาดิยามีโกมสุกาจาราเวระมณีสิกขาปังสมาดิยามีาวาดาเวระมสิกขาปังสมาดิยามีโกสาวาเวระมณีสิกขาปังสมาิยาุราเมรยมจปมาดาทานา เวรมณีศิฆาปดังสมมาทิยามิสุรามีเรยมัชฌะปมาณัตถนเวรมณีศิฆาปดังสัมมาทิยามิิมานปัญจศิฆาปานินิจสลววเสนสิเลนะสุกะติยันตมสเลนะภะะสัมปดา สีเลนะนิปติงยันตตัดสมาสีลังวิโสธาติสีดียวไปแจกันยัง อ่าอ่าแจกซีดีไปฟังเราพูดธรรมเราพูดมาจุดเดียวกันหมด ได้เจริญในสีสมาธิปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพนใในพาน รับพ ร, รนะทุกทะรับพรขอนาทิศทุกทิศส่วนบุญไปที่น้ำใจนั่นแหละทุกทิส่วนบุญไปนี่คือความดีความดีถ้าไม่มีกิริยาประกอบบุญถ้าไม่มีกิริยาประกอบบุญไม่เกิดความดีถ้าไม่มีกิริยาประกอบความดีไม่เกิด นี่คือกิรยิยธรรมบุญบุญคือความดีเราเราลึกถึงพฤติกรรมของตัวเองแล้วให้ปลื้มปีติอินดีดีใจเอาไว้มันเป็นความเจอในหัวใจของเรายูที่ส่วนบุญไปยะท้าวาริวะหาปูราปริปูเรนติชาขรางเอวะเมวิโตจินนังเปตานังอุปการปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชะตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธ า, ามนิโชติระโสยธ า, านเทโยอวิววจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตยมภาวะตวันตารา โตโหโุสปะทาโตคโรคาปยาเวราโสกัสโจุปตะวอเนกาอันตารายสันโตจเตยชาสาชยยาเสทิทานังลาภาสดีภะกายังพลังสิริ โอคังวุทิเยสวาสตาวัสะจายุวะเสเถพวันตุเถพวตุสาพมังลังราคันตุสาปเทวตาพระพธ ตุสะปะเทวตาสัปธรรมานุภาเวนสะทาสวัติปวันปวัตตุสะมังคลังรากขันตูสะปะเทวตาสะปะส เจริญอยู่เย็นเป็นสุขเดินทางกลับบ้านาโดยสวัสดิภาพมีความสุขมีความเจริญตามภาวะแห่งกรรมที่ตัวเองตั้งอกตั้งใจทำก็แล้วกันก็กล่าบ้องกันนะครับพร้อมแล้วกลาบกราบจบท่านีนเนาะ อ่าชืตังเมเลยนะชืตังเมชืตังเมอ่ะสาธุตัณรายกับกครับพรมังสมาสุขโทปะวาบุญทังปะวันตัง